เรียกวสติพละเป็นธรรมะที่เป็นใหญ่เรียกวสติอินซีเป็นต้นก็มีความหมายถึงสติคือความระลึกได้คือระลึกถึงการที่ทำคำที่พูดแม่นานได้เหล่านี้และยังได้ตรัสสอน ให้ปฏิบัติทรรมสติตามดูตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตและธรรมอันเรียกประสติปัฏฐานทั้งสี่ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติกรรมาฐาน นำมาเป็นหลักใหญ่เราว่าทุกคนมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมและกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นไปอยู่ในปัจจุบัน เขาก็ว่าเป็นขันศีเหมือนอย่างขันห้าแต่ในที่นี้ไม่เรียกว่าขันศีแจะเรียกว่าสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมนี้ก็เท่ากับเป็นนิวาสะคือเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์ทั้งหลายของบุคคลทั้งหลาย เรือของเราทั้งหลายอยู่ในการทุกคนแต่ว่าเมื่อไม่ระลึกถึงก็ไม่รู้ต่อเมื่อระลึกถึงจึงจระรู้เหมือนอย่างว่าหายใจเข้าหายใจออก ทุกคนก็ต้องให้ใจเข้าให้ใจออกกันอยู่หยุดไม่ได้แต่เมื่อไม่ระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ไม่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกระลึกระลึกถึงเมื่อร่ก็รู้มันนั้นว่าเราหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ แม่ในข้ออิธิยาบทก็เหมือนกันก็ต้องเดินต้องยืนต้องลังต้องนอนกันอยู่ในอิธิยาบทน้อยก็เหมือนกันต้องก้าวไปข้างหน้าต้องถอยไปข้างหลังเป็นต้นต้องตื่นต้องพูดต้องนิ่งกันอยู่เป็นต้นและแม่ อาการในกายสามสิบเอดสามสบสองมีขมผมคนเล็บปนหนังเป็นต้นก็เหมือนกันก็ต้องมีกันอยู่และผมคนเล็บปนหนังเป็นต้นเหล่านี้ต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่ปรากฏเป็นผมเป็นคนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นต้นรวมเข้าก็เป็นธาตสี่ ธาตุดินธาตุน้ำาตไฟธาตุลมประกอบกันอยู่เป็นกายนี้เหล่านี้เป็นต้นเมื่อระลึกถึงก็จึงจะรู้ได้แต่เมื่อไม่ระลึกถึงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสติคือความระลึกนี้จึงเป็นข้อสำคัญ เมื่อมหัทปฏิบัติทำสติปัฏฐานอยู่ก็ย่อมจะทำให้มีสติอยู่กับตัวและทำให้มีความรู้อยู่กับตัวซึ่งนับว่าเป็นสติสัมป ญ, ญญาที่เป็นภาคพื้น และจะทำให้ได้ความรู้ที่เป็นตัวปัญญาเห็นเกิดเห็นดับต่อไปด้วยความลึกได้และความรู้อยู่กับตัวสึ่งสมชัญญะนี้ก็เป็นสมาธิความรู้ที่เป็นตัวปัญญาเห็นเกิดเห็นดับ ก็เป็นตัวปัญญารุฉะนั้นเมื่อปฏิบัติทรรมสติในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็ย่อมจะได้สติสมัมปจญญะได้สมาธิได้ปัญญาไปด้วยกันและ เมื่อปฏิบัติทมสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเป็นสมาธิที่แนบแน่นยิ่งขึ้นก็จะทาให้สติคือความระลึกนี้ระลึกได้ดีขึ้นจะระลึกย้อนหลังไปได้ดีขึ้น ในชาตินี้เองความระลึกได้ซึ่งเป็นตัวสตินี้ถ้าไม่ดีระลึกย้อนหลังไปในชาตินี้เองก็ไม่ดีดังเช่นถ้ามีสติ ีเราลึกได้ดีฟังอะไรก็ย่อมจะจำได้ดีอ่านอะไรก็ย่อมจะจำได้ดีคือมีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ในสิ่งที่ฟังในสิ่งที่อ่านก็เป็นอันว่าได้สมาธิในสิ่งที่ฟังในสิ่งที่อ่าน อ่านหนังสือหนึ่งหน้าก็จะจำได้มากฟังเรื่องอะไรก็จะจำได้มากแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะอยู่ในสิ่งที่ฟังในสิ่งที่อ่านแล้วจะจำอะไรไม่ได้เลยถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ในสิ่งที่อ่านสิ่งที่ฟังน้อยก็จำได้น้อยมากก็ฟังก็จาได้มาก เพราะฉะนั้นการฝึกหัดสติให้ดีพร้อมท้องสมบัติชัญญนยะนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญจะทําให้จะลึกได้จําได้ย้อนหลังไปได้มากเมื่อวานนี้วันศุนย์นี้เมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้วถอยหลังไปเป็นต้นจะจําได้มากขึ้นมากขึ้น และเมื่อมีสติสัปัญญัญญาอยู่กับตัวคืออยู่กับกายเวทนาจิตธรรมเป็นสมาธิที่แนบแน่นเป็นอปปนาสมาธิอย่างดีที่สุดก็จะทำให้ความจำคือความลึกไดน้นี้ย้อนหลังไปได้มากที่สุดก็เพราะว่า สัตว์ทั้งหลายคือตัวเราเองนี้ก็เป็นหนึ่งในสัตว์ทั้งหลายยอมในประสบพบผ่านอนดีตของตนมาแล้วทั้งนั้นและ ส ต, ติคือเคลื่อนอุบัติคือเข้าถึงหรือเกิดอาชาติหนึ่งชาติหนึ่งก็ผ่านมาแล้วทั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะคือตัวเราทั้งหลายนี่จึงมีสิ่งที่ประสบพบผ่านเหล่านี้เก็บอยู่ซึ่งเมื่อมีสติที่ลึกได้ดีแล้วก็อย่อมจะลึกย้อนหลังได้ดี เหมือนอย่างเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในวันนี้หรือเมื่อวานนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทัความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติ ภบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมระมัสรารพระภูมิพระภาคอรหันตสมาสมาสมุทิเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม จะแสดงประพุทธคุณหมดว่าวิชาจารณะซัมปันโนผูถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะได้แสดงวิชาสาม ไปแล้ววันนี้จะได้แสดงวิชา8ปที่พระพุทธเจ้าดรัสไว้ในหลายพระสูตร แต่ก่อนที่จะได้นำวิชาแปดมาแสดงก็ต้องทำความเข้าใจว่าวิชาที่แสดงเกี่ยวแก่ฤทธิ์ต่างๆ ซึ่งอาจเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปได้แต่ก็ควรจะรับฟังว่าได้มีวิชาดังกล่าวนี้ ในพุทธศาสนาเองและท่านก็ได้อ้างถึงผู้ที่ปฏิบัติทางจิตอย่างยิ่ง แม้ก่อนพุทธกาลก็ได้กดถึงวิชาที่เกี่ยวกริษต่างๆนี้มาแล้วหลายประการเรียกได้ว่า วิชาข้อต น, ต, นตนทั้งหมดนั้นท่านได้ทันถึงกันมาแล้วแต่วิชาข้อสุดท้ายคืออาสวัคยะยานเป็นเหตุสิ้นอาสวะ นอกจากในพุทธศาสนาแล้วยังไม่มีได้กันมาพระพุทธเจ้าทรงได้ทรงถึงจนถึงอาสวัคยายานจึงทรงเป็นพระพุทธโธ คือเป็นพระภูทรสะรูร้แล้วรูที่ยังไม่ได้ถึงอาสวัคคยายานแต่ว่าได้วิชาอย่างอื่นจากทำานาจจิต ที่อบรมดีแล้วคือแม้ว่าจะได้ในข้อต น, ตนมาทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธโธคือเป็นพระพุทธสรูแล้วฉะนั้น จึงสมควรที่จะรับฟังเพื่อทราบไว้ว่าท่านได้ท่านถึงกันมาและการได้การถึงนี้ก็ข้อปฏิบัติ เป็นเครื่องดำเนินถึงวิชาที่เรียกว่าจรณะเพราะฉะนั้นจึงจะไปอธิบายถึงทางปฏิบัติให้ถึงวิชาในตอนที่จะแสดงจรณะ เจรณะเป็นเหตุวิชาเป็นผลจึงจะแสดงผลก่อนตามลำดับถ้อยคำที่ว่าวิจาจรณะสัมปันโน วิชาสามที่ได้แสดงไปแล้วก็คือปเะนิวาสานุสติญาณความรู้จักระลึกขันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อน ได้หรือที่เรียกในไงว่าระลึกชาติได้สองจุดตูปปาปัญาาความรูจจ้จักจุติคือความเคลื่อนและอุปบัติคือความเข้าถึงชาตนนินั้นของสัตว์ทั้งหลาย ว่าเป็นไปตามกรรมอาสวะขยายานความรู้เป็นเหตุเป็นเหตุสิ้นอาสวะกิเลสที่ดองจิตสันดานวิชาแปดที่จะแสดงในวันนี้ ก็คือมีเติมเข้าอีกห้าข้อข้างตน้นส่วนสามข้อข้างหลังก็คือวิชาสามนั่นเองห้าข้อข้างตน้นที่เติมเข้ามานั่นก็คือ วิปัสนาญาณความรู้จักด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงในกายนี้ ซึ่งมีวิญญาณอาศัยอยู่ว่าเป็นไปตามคติธรรมดาคือโดยไตรลักษณ์อันได้แก่ การที่มาพิจารณากายใจนี้หรือนามารูปนี้โดยไตรลักษณ์ว่ากายนี้อันเป็นส่วนรูป ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอาศัยอาหารมีข้าวเป็นต้นบำรุงเลี้ยง เป็นของไม่เที่ยงต้องทนุบำรุงมีบีบนวดเยียารักษาต่างๆเป็นต้นและแม่นาม้า คือความเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขความรู้จำได้หมายรู้ความรู้คิดปรุงหรือปรุงคิดความรู้ เรียกว่าเห็นที่ได้ยินที่ได้ทราบที่ได้คิดได้รู้ทางอายตนะอันเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนา ม, มาธรรมคู่อยู่กับรูปธรรมก็เช่นเดียวกันคือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่พึงเห็นยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อพิจารณาที่กายนี้ จับที่รู ป, ปรกายดลหลอดถึงนามกายโดยายลับจนมีความรู้ความเห็นปรุปโปรงคือชำแรก ให้สัญญาความกําหนดหมายว่าเที่ยงสุขสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นสุขอัตถสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นตัวตนในรูปในนามกายนี้ก็จะโปรง่งจะใส โดยไม่มีนิจยสัญญาสุขสัญญาอัตตสัญญาตั้งอยู่ในจิตจึงปรากฏรู้แจ้งเห็นจริงในวิญญาณ ที่บริสุทธิ์ผ่องใสอันตั้งอาศัยอยู่ในกายนี้ซึ่งได้ตรัสไว้ว่าเปรียบเหมือนอย่างแก้วไพลทูลที่งดงามเกิดเอง ที่จะใดดีซึ่งมีได้สีเขียวเหลืองแดงขาวนวนร้อยอยู่ในภายในบรษฑูมีจักษุหยิบเอาแก้วไายถุบไว้ในมือและมองดู ก็จะมองเห็นได้สีเขียวเหลืองแดงขาวนวลที่ร้อยอยู่ในแก้วไผ่ทูลนั้นก็เหมือนอย่างเหมือนน้อมจิต เพื่ อ, อยานทธศนะคือความรู้ความเห็นที่กายนี้ก็ยอมจะได้รู้ได้เห็นกายนี้ตามเป็นจริง และได้รู้ได้เห็นวิญญาณทึ่งอาศัยอยู่ในกายนี้ตามเป็นจริงเหมือนยังมองดูแก้วไัยทูนที่งดงามและใสก็มองเห็น ได้สีต่างๆที่ร้อยอยู่ในแก้วใบทุนนั้นนี้เรียกว่าวิปัสนาญาณเป็นวิชาที่หนึ่ง มโนมยิทธิยาน